วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งเป็นวันขึ้นแดค่ำเดือน8ปีส8อีกวันพระหน้าตรงกับวันที่21เอเป็นวันอาสาระเป็นวันสาคัญยิ่งวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา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 ของพวกเราเป็นประจำมาทุกวันพระพร้อมกันรวมกันไหวพระสวดมนต์เสร็จเก็บร้อยแล้วก็ฟังสัมโมนิกถาที่ผมอธิบายให้ฟังการพูดการสัมโมนิกถามีหลายเรื่องเพราะการอยู่ร่วมกัน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 พระสงฆ์สาวกก็ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นต้นสาธาเป็นต้นศาสนาก่อนแนะนำสั่งสอนพระสงฆ์ในเมื่อพระสงฆ์ได้รับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มาเผยแผ่ให้สิทยิญาณสิทธ์ฟังเมื่อสิทยิญาณสิทธิได้ฟังก็เอามาเผยแผ่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 ธรรมะกันเดียวกันบางองค์ก็ได้สําเร็จเป็นพระหันบางองค์ก็สักกทาคามีบางองค์ก็พระอน า, าคามีบางองค์ก็พระโสดาบันบางองค์ก็เบื่อมใส่นับถือในพระพุทธศาสนาเผอเผ อ, เผอบางคนยังตกนรกอีกต่างหากเพราะฉะนั้นในเทศกันเดียวกันเป็นถึงขนาดนั้นแหละ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 แต่ว่าถึงยังไงก็ตามเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วถ้าพวกเราเป็นนักเหตุผลเราก็ต้องนำมาคิดมาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังในเมื่อได้ยินได้ฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็นำมากลั่นกรองจากนั้นก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราเพราะนั้นคนที่จะดี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 แต่สำหรับหลวงพ่อเองถึงจะอ่านหนังสือพระไตรปิฎกก็ตามหรือจะอ่านหนังสือธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ก็ตามหรือจะอ่านคํำลิขิดของครูบาอาจารย์ก็ตามหรือจะฟังเทปของครูบาอาจารย์ก็ตามฟังครั้งหนึ่งจะได้ความคิดเห็นอีกอย่างหนึ่งแต่พอฟังครั้งที่สองก็จับประเด็นได้อีกพอฟังครั้งที่สก็จับประเด็นได้อีกในเทศกันเดียวกัน สรุปแล้วก็คือเมื่อฟังแล้วถ้าตีแผ่ออกมาก็ได้หลายๆแนวความคิดเกิดปัญญาในการได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาในธทรรมในหนังสือหรือในธรรมเทศนาในเทปในซีดีนั้นๆเพราะนั้นการศึกษานี่ไม่มีที่สิ้นสุด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 พระในครั้งพระพุทธเจ้าของพวกเราก็เช่นนั้นเหมือนกันแต่นี้เราไม่ได้เปรียบเทียบเรากับพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นนักวิชาการ ใ, ใดก็าตามที่จะพูดก็ต้องว่าจะพูดเรื่องอะไรให้ผู้ฟังเข้าใจในเรื่องที่จะพูดไม่ใช่ว่าพูดอะไรดืวอเบื่อไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นครั้งนี้จะพูดเรื่องอะไรให้ผู้ฟังเข้าใจ ในเรื่องเหตุและผลในเรื่องนั้นๆพระพระพุทธเจ้าที่เป็นบรมครูของพวกเราที่ท่านจะแสดงทำให้แก่สิทธิอนุสิทธิของพระองค์ฟังก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันพระองค์ยิ่งละเอียดก่อนที่จะขึ้นมานั่งบนธรร ม, มาทท่านมองกวาดสายตาดูแล้วว่าพุทธบริษัทนี้ จะแสดงธรรมประเภทไหนให้ฟังจะเป็นที่สบายจะเป็นที่เข้าใจจากนั้นพุทธองค์ก็มองอีกว่าในพุทธบริษัทเหล่านี้ท่านผู้ใดจะได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลในขณะที่เราแสดงธรรมในครั้งนี้ท่านก็เน้นจุดนั้นก่อนคือเน้นบุคคล น, นั้นก่อนส่วนบุคคลอื่นจะได้เข้าใจหรือไม่เข้าใจเอาไว้ทีหลัง ต้องเน้นบุคคลที่จะได้ธรรมะขั้นสูงสุดก่อนในวันนั้นถึงจะเป็นคนเดียวท่านก็นเน้นหนักจุดนั้นก่อนอย่างที่ท่านเทศให้นางรูปะนันธาฟังนั่ะคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจแต่นางรูปะนันธานั้นเข้าใจได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ฟังในวันนั้นแต่คนอื่นก็ได้ฟัง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 ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเรื่องมรรคเรื่องผลก็เช่นเดียวกันจุดใหญ่ที่ท่านอา จ, จะอธิบายเรื่องการภาวนาเรื่องสินสมาธิปัญญาการเปียรนาสติปัฏฐานสี่อนิจจังทุกขังอนัตตาผลที่สุดก็เจาะเข้าไปสู่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเรื่องราวท่าไหนออกมาจากจุดนั้นถึงจะมาในแง่ไหนมุมไหน ก็จอเข้าไปในจุดนั้นแต่ว่าการเดินทัพนั้นเดินคนละข้างกันแต่พอไปถึงแล้วคือเข้าไปตีจุดนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับเราจะเดินเข้าไปสู่กรุงเทพนั่นะมาเดินได้หลายทางมาทางภาคตะวันออกก็ถึงกรุงเทพได้ไปทางอีสานก็ถึงกรุงเทพได้ทางภาคเหนือถึงกรุงเทพได้ภาคใต้ก็ถึงกรุงเทพได้ แต่จุดหมายปลายทางก็คือกรุงเทพอันนี้ก็เหมือนกันจุดหมายปลายทางก็คือพนิพานที่จะตัดกิเลสคราคะโทสะโมหะออกจา ก, กจิตใจของพวกท่านพวกเราทั้งหลายและวิธีการเดินที่จะถึงไปสู่จุดหมายปลายทางคือพนิพานนั้นเดินอย่างไรการพิจารณาอะไรสมาธิเบื้องต้นทำยังไงไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา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 ปัญญานี่กว้างขวางมากจะต้องศึกษามากทีเดียวเรื่องปัญญาไม่มีที่สิ้นสุดสุดแท้แต่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านมีเชา่ามีปัญญาขนาดไหนที่จะนำมาสั่งสอนสิทธิอนุสิทธิของท่านสิทธิอนุสิทธิของท่านจะรับได้มากน้อยอยังไงแค่ไหนอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอีก แต่สิทธ์บางคนก็เหนือจากกว่าครูบาอาจารย์ก็มีเพราะบุญบา ร, รมีของแต่ละองค์นั้นมากน้อยต่างกันยกตัวอย่างใกล้ๆกับอย่างหลวงปู่เสาอย่างเนี้ยหลวงปู่เสาท่านไม่ได้เทศอะไรมากพูดน้อยแต่ว่าท่านทำให้ดูแต่มาองค์หลวงปู่มั่นท่านมีเฉาการแสดงธรรมแนะนําสั่งสอนนั้น ปราดเปลือยเฉลียวฉลาดเป็นปรัเป็นมหาปราชถ้าสรุปแล้วก็คือเช่าในการแสดงธรรมนี่ถ้าจะว่าไปแล้วผมมากกว่าหลวงปูเ่เสาแต่ส่วนธรรมะที่ท่านได้แล้วนั่นก็คงจะเหมือนกันเพราะหลวงปูเ่เสาท่านก็อธิษฐานของท่านก็เป็นพระธาตุเหมือนกันหลวงปู่มั่นก็เป็นพระธาตุเหมือนกันเราจะว่า ใครยิ่งหย่อนกว่าการ น, นั้นคงไม่ได้ท่านเอาหลักลูกประธรรมมายืนยันแล้วแต่ว่าส่วนธรรมะที่ท่านบุญบา ร, รมีของท่านที่แนะนําสั่งสอนนั้น แ, แตกต่างกันสรุปแล้วก็คือสิทธิเหนือกว่าครูก็มีในเรื่องบุญบา ร, รมีหรือวัสติปัญญาเชาวในการแนะนําสั่งสอนแต่โดยมากก็สู้ครูไม่ได้แล้วงั้นเด็ก ถึงยังไงถึงจะท่านจะฉลาดขนาดไหนท่านก็เคารพครูครูบาอาจารย์ในต้องเหนือหัวอยู่เสมออย่างท่านภาษาริบุตรอย่างเนี้ยเป็นผู้มีปัญญาเลิศในบรรดานักครสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศทางปัญญาพระโมกขาลาเป็นผู้เลิศทางลิตรเด็ดสักดานุภาคแสดงอิทธิฤทธ แต่ภาษาลิบุตรเนี่ยเลิ่ทางปัญญาพระอาชาชิในกลุ่มปัญจวคีรีทั้งหที่เป็นอาจารย์ของท่านท่านสอนภาษาลิบุตรเบื้องต้นจนภาษาริบุตรได้สําเร็จพระโสดาบันภาษาลิบุตรถือว่าอาชาชิเป็นอาจารย์ของท่านเบื้องต้นเป็นปฐมอาจารย์เหมือนกัอาจารย์ทางธรรมะจากนั้นเมื่อได้สําเร็จพระโสดาบันแล้วก็ว่าอาจารย์ของเราอยู่ไหน พระอาจาชีก็แนะนำว่าพระพุทธเจ้าอยู่กรุงราชก็คืออุปติสะยังไม่ได้เป็นพระอุปติสสะก็ไปชวนโมกคลาที่เป็นสหายเอาไปกราบพระพุทธเจ้าฟังธรรมจากนั้นก็ได้บวชได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ถึงท่านจะได้เป็นพระอรหันต์แล้วท่านอาจาชีก็เป็นพระอรหันต์ ท่านก็เป็นผู้เลิศในรับเอเตตะกาวเลิศกว่าพิสุทั้งหลายเป็นอระสาวกเป็นผู้ใหญ่รองจากพระพุทธเจ้าแต่ท่านอจิ ช, ชิท่านก็เป็นพระหารเป็นปฐมพระสงฆ์ห้ารูปที่วันอสรรหะที่จะถึงเนี่ยีว่าพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกหรูปโกนัญญาวะปะปัญยามาหานามาอจิ ช, ชิองค์อัจิชินี่แหละเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตร ภาษาบริบทถึงท่านจะได้สําเร็จเป็นผู้เฉลียวฉลาดปาดเปลืองท่านยังเคารพอาจารย์ของท่านพระอาจารชีอยู่ทางทิศเหนือท่านกระหนันหันศีรษะไปทางทิศเหนือกราบท่านอาจารชีก่อนนอนทราบข่าวว่าท่านอาจารย์ชีโยธางทิศตะวันตกท่านกรหันหัวไปทางทิศตะวันตกกราบท่านอาจารชีก่อนนอนทิศใต้ ทิศตะวันออกทิศไหนก็ตามถ้าท่านอาศัยชิ้อยู่ทางทิศใดภาษารๅษีพูดรับทราบว่าท่านอาัยชิ้อยู่ทางทิศใดก่อนนอนท่านหันศีรษะกราบไปทางนั้นแล้วก็นอนทันหัวไปทางนั้นจนพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาพระสงฆ์ที่ท่านไม่รู้เขาก็บอกท่านภาษาบุษีเป็นมิตรสาธิฐิวันหนึ่งหันศีรษะไปทางหนึ่งแล้วก็นอนวันหนึ่งก็หันศีรษะไปทางหนึ่งแล้วก็นอนทําไมเป็นอย่างนั้น พระพุทธองค์ก็ได้เรียกท่านภาษาริบุตรเข้ามาถามว่าท่านหันศีรษะไปอย่างที่พระสงค์เขาเห็นนั้นเพราะอะไรท่านภาษาริบุตรท่านก็อได้กราบภูมิพระพุทธเจ้า ว, ว่าข้าพระองค์หันศีรษะไปทางที่พระสงค์เห็นนั้นข้าพระองค์ทราบว่าท่านอัศชิที่เป็นอาจารย์ของข้าพระองค์ท่านอยู่ในทิศนั้นข้าพระองค์จึงได้หันศีรษะไปทางนั้น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 ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดถ้าคนเห็นธรรมดากันนะั่นเหมือนว่าเป็นมิจฉาทิตฐิแต่ท่านก็ยอมเขาจะว่ายังไงท่านไม่แคร์แต่ท่านกราบอาจารย์ของท่านอาจารย์คนท่านอยู่ทางนู้นข่าวนีนี่ละผู้มีปัญญาผู้รู้ธรรมในจิตใจแล้วรู้เท่าไรยิ่งอ่อนอ่อนน้อมถ่อมตน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 ท่านทั้งหลายให้รับผู้รับทราบว่าธรรมะเนี่ยถ้าใครรู้เข้าสู่จิตใจแล้วมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แข็งกระด้างเพรั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพระที่จะบวชเป็นพระเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ให้มีสัมมาคารวะต่อกันมีการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อกันการอยู่ร่วมกัน ถ้าหากว่าไม่มีสัมม า, าวะแล้วอยู่ด้วยการลำบากความแตกแยกสมักขีกันแก่งแย่งกันเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ถ้าหว่ารู้จักสัมม า, าวะแล้วมีแต่ความร่มเย็ยนเป็นสุขทางด้านจิตใจพระในครั้งพระพุทธเจ้าการอยู่บางกลุ่มบางคณะก็ความเห็นไม่งลงรอยกัน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 เราตถาคตแต่ก่อนเป็นสัตธิรชาญก็ยังเคารพกันยังเคารพซึ่งกันและกันจากนั้นพระโต้งก็ยกตัวอย่างสมัยหนึ่งมีช้างมีลิงมีนกกระทาไปมาหาสู่กันจนเป็นที่สนิทสนมอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง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 ใครรู้ว่าสมัยนั้นใหญ่ขนาดไหนนกกระทาก็บอกว่าต้นไทรตัวนี้น่ะข่าไปกินต้นไทรต้นนู้นน่ะมาก็เลยมาถ่ายราดตรงเนี้ยข่าจำได้ไทรตัวนั้นน่ะแถวนี้ไม่มีนะแต่ข่าได้ไปกินต้นนู้ น, นมาถ่ายอยู่แถวเนี้ยมาเคี่ยวหากินอ ย, ยแถวนี้มันจึงใหญ่ที่มาขนาดนี้ลิงก็บอกว่า สมัยข้าเป็นลิงเนะ่ยต้นไทรตัวนี้ข่าได้งแง่คอกัดกินยอดของมันใค่แค่วัานั่งแล้วไปกัดกินยอดของต้นไทรแต่นี้ช้างก็บอกว่าต้นไทรตัวนี้ข่ามา ก, กับแม่ของข้าต้นไทรตัวนี้เพียงสีข้างของข้าเนี่ยก็เป็นอันว่าทั้งสามตัวเนี่ยนกกรทา เป็นใหญ่เกิดก่อนพอไปกินต้นไทรจากต้นนู้นมาถ่ายลาดลงลิงในสมัยตัวเด็กๆจะงแงะคอกัดยอดช้างเดินไปมันอยู่ในใต้ท้องอยู่ข้างๆสีข้างของช้างแสดงว่าช้างเกิดที่หลังเพราะฉะนั้นทั้งสามตัวท่านก็เคารพนกกรทาถือว่าเป็นพี่ใหญ่เพราะเกิดก่อน มีอะไรก็แสดงความเคารพพี่ใหญ่เพราะเป็นสัตว์ผู้เกิดก่อนอาวุโสเพราะนั้นการอยู่ร่วมกันท่าว่านับถืออาวุโสพันเตให้ความเคารพซึ่งกันและกันแล้วการอยู่คนในกลุ่มนั้นก็จะมีความร่มเย็นผาสุกเพราะว่าเคาพรพอาวุโสพันเตแต่ถ้าว่าอยู่ด้วยกันไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีผู้น้อยคอนเท่าคอนไม้เท่าไม้ อยากจะพูดอะไรก็พูดโดยที่ไม่มีการยำเกรงซึ่งกันและกันไม่มีวัยวุฒิคุณวุฒิคนในกลุ่มนั้นก็หาความสงบพรมเย็นเป็นสุขได้ยากเพราะจะมีพร้อมที่จะแตกแยกมีความคิดเห็นแข่งแย่งกันพร้อมที่จะทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นไดไงง่ายเพราะนั้นการอยู่ร่วมกันต้องมีผู้น้อยต้องมีผู้ใหญ่ต้องมีอวุโสพันเตให้เกียรติ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 อันนี้คือพระวินัยของพระพุธทธเจา้าดังนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถ้าปฏิบัติถูกอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแล้วจะเดินธรรมะเข้าสู่จิตใจเรื่องสมาธิเมื่อศีลบริสุทธิ์บริรบรูรณ์ดีแล้วการอยู่ร่วมกันการรูจาักการวางตัวรู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่รู้จักการกระทําสิ่งควรไม่ควรวั ย, ยวุฒิคุณวุฒ สิ่งเหล่านั้นถูกต้องแล้วไม่มีการแข่งแย่งกันแล้วจากนั้นก็จะมาภาวนาทางยิจเตภาวนาหรือว่าแสวงหาความสงบทางด้าน จ, จิตใจก็ไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางขัดข้องเดินถูกในเบื้องต้นแล้วก็มาฝึกในเบื้องกลางคือสมาธิกาหนดจิต ให้นั่งสมาธิกำนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตก็ไม่วิตกกังวลไม่ปุงฟุ้งออกไปข้างนอกแต่ถ้าว่าพวกเราทำอะไรไม่ถูกจากมากำหนดภาวนาเนี่ยจิตใจมันก็เควดิ่งไปหาคนคนนั้นหละออคนกลุ่มนั้นหละพวกองค์นั้นแ่ะเพื่อนองค์นี้หละที่ทำให้ตัวเองไม่สบายใจ เพราะนั้นถ้าว่าเราทําถูกแล้วการอยู่ร่วมกันรู้จักปล่อยรู้จักวางอีกส่วนหนึ่งนะทุกคนจะดีเสมอกันเป็นไปได้ยากแต่ถึงอย่างไงเราจะไปพิตกกังวลจะไปถือโทษโกรธเคืองกับท่านเหล่านั้นอย่างเดียวมันพ่อไม่ถูกเราก็ควรจะปล่อยวางบ้างนะแต่ถึงอย่างไงก็ทุกคนให้อยู่ให้ซ้ำเนียกส้ำนึกอย่างที่ผมได้พูดไว้แต่เบื้องต้นนะนะ จากนั้นก็นลงมือถ้าว่าทําถูกอย่างนั้นลงมือประพฤติปฏิบัติทางจิตภาวนาทําจิตให้สงบเนี่ยเป็นไปได้ง่ายเพราะการกระทําที่ถูกต้องมาโดยตลอดในเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้แล้วจิตนิ่งแล้วจิตสบายใจแล้วใจสบายแล้วไม่วิตกกังวลไม่หิวโหวยกับอารมณ์ที่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 ฝึกฝนพยายามฝึกพยายามฝนให้เข้าใจให้เห็นให้รู้ว่าสิ่งที่เราพิจารณามันเป็นจริงอย่างที่เราคิดเนี่ยนถะึงจะเห็นหรือไม่เห็นหึงจะยอมรับหรือไม่ยอมรับแต่มันก็เป็นอย่างนี้นี่แหละอันนี้ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความคิดการไตรตรองพิจารณาเหตุและผลพยายามใช้ปัญญาพิจารณา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 แต่มันก็โปรงตกอยู่แล้วละ่ะคิดเวลาไหนก็โปรงตกไปแลนั้นไปเห็นสิ่งภายนอกกับน้องเข้ามาหาตัวเองแตนนี้ท่านอายุ 8, ปดปีแต่เรานี่จะถึงหรือไม่แต่ถึงยังไงก็เต๋อภาชนะน้อยหรือใหญ่ก็ต้องแตกในที่สุดแต่เราเห็นคนอื่นก็ยังพอทำเนาแต่ถ้าพลาเจอกับตัวเองเข้าไปแล้วอยู่ในสภาพเช่นนั้นจะเป็นอย่างไร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 แปลว่าทั้งพบทั้งชาติที่สออแสวงหามาได้แก่งแย่งกันเรื่องยศเรื่องราบสลเสริญสุขทั้งหลายผลที่สุดก็ทิ้งทั้งหมดเอาอะไรไปด้วยไม่ได้ลูกหลานญาติพี่น้องกระดูกตัวเองก็ยังเอาเออกไปด้วยไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นพอตายไปแล้วกันนะเอาเข้าหีบผ้าลง พออยงหิวพ่อโลกระไฟเผาพอเผาเสร็จแล้วไปอยู่ในเมนกระดูกปวนิสุก็เอากระดูกไปลอยอังคารร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นอย่างนั้นทุกคนถ้าว่าตายแล้วไปเผานะเป็นเสียจะตายแล้วแบบสีนามิถ้าตายแบบสีนามิก็อย่างที่เราพวกเราเคยเห็นภาพตายแล้วเกลื่อนเหม็นคลุ้งไปหมด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 เดี๋ยวนี้พวกเรายัางยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนี้เป็นของเราญาติพี่น้องพ่อแม่เงินคําทรัพสมบัติพัสถานต่างๆเป็นของเราแต่ส่วนที่แท้แล้วเมื่อเราพิจารณาตามความเป็นจริงตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำสั่งสอนท่านบอกกล่าวแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ใช่ตัวตวนของเราคาว่าเราเราคนี้คือใครอันนี้ก็มีคน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 รูปประธรรมกับนามปะธรรมรูปประธรรมนั่นคือจาร์คือร่างกายจาร์นก็คือร่างกายนา ม, มะธรรมนั่นคือใจใจก็คือแก้วใจนั่นคืออาศัยร่างกายนี้อยู่แต่ไม่ใช่กายกายไม่ใช่ใจใจไม่ใช่กายใจนั่นเป็นรู ป, ปรนามธรรมมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่ร่างกายนั้นเป็นรูปประธรรม มองเห็นด้วยตาเนึ่งอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี่เนี่ยนะคือรูปธรรมทว่าเรานะั้นคือใครคือใจเป็นนายใจเป็นหัวหน้าใจบอกให้ร่างกายทําถึงไหนก็ทําเหมือนกับเจ้าของรถกับรถอย่างนั้นนะเราจะให้รถวิ่งไปทางไหนคนขับรถก็สักอันนี้ใจของเราก็เช่นเดียวกันใจของเราเหมือนกับคนขับรถจะให้กายทําอะไร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 ถ้าพูดเรื่องถึงธรรมะแล้วเพราะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงคือใจเป็นหัวหน้าใจเป็นนายถ้าไม่พูดถึงนายแล้วจะไปพูดแต่ถึงลูกน้องไม่มีที่สิน้นสุดไม่มีที่จบถ้าบอกหัวหน้าทําความเข้าใจหัวหน้าหัวหน้าเป็นศีลเป็นธรรมหัวหน้ามีคุณธรรมเรื่องทั้งหลายทั้งปวงมันก็จบ แต่ตั้งหัวหน้าเกเลสอย่างเดียวปล่อยหมัดออกไปคำพูดออกไปการกระทำออกไปเสียหายเพราะหัวหน้าไม่ได้รับการอบรมไม่ได้ฝึกฝนที่ดีเพราะนั้นเจ้าวาดร่างกายสังขารไม่ใช่เราเราคำนี้คื อ, คอใครคือใจร่างกายอันนี้ถึงจะดูแลรักษาดีขนาดไหน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 ก็ไปหาซื้อรถคันใหม่อีกไปปฏิสนที่ไปหารถคันใหม่มาใช้อีกนี่หละจุดนี้หละที่ว่าคนไปหารถคันใหม่นี่แหะแต่ถ้าว่าคนไปหารถคันใหม่มีทุนคือได้สร้างบุญเอาไว้มีทุนนะซั์เมื่อเราได้ปิกอัพในชาตินี้แต่ถ้าว่าเราไม่ได้หามีธต่ขี่รถ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 พอหมดรถคันนี้อะไรกันนั่นแหละตกต่ำระบาดเพราะไม่มีทุนที่จะซื้อรถเพอเพอว่าย่ําเดินเพอเพอจะไม่มีกระทั่งผ้านุ่งผ้าห่มอีกต่างหาเพราะมันหมดตัวไม่ได้ลืมตัวไม่ได้สะแสวงหาซับเพระตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้น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 ท่านปฏิบัติภาวนาจนแก่เท่าชลานี่แหละท่านมองเห็นสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ของสนุกสนานเฮหาอย่างที่หลวงพ่อไปเห็นมรณะภัยที่จะเข้าถึงในวันนี้ก็เหมือนกันที่หลวงพ่อไปเห็นขุนยงมอายุ85ปีเนะี่ยโอเอาอะไรให้เอาไหมเงิน1้อยเงินพันเงินห0ื่นเงินแสนล้านเอาให้จะเอาไหม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 เพราะนั้นเมื่อท่านเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วท่านจึงไม่มีความเยอ่อใยในราชสมบัติของพระ อ, องค์ออกไปสวงหาธรรมอยู่ในป่าดงพป่งพัยถึงหกปีนะ่ท่านยังได้ค้นพบหลักพระธรรมคำสั่งสอนที่มาประกาศเผยแผ่ให้พวกเราได้ศึกษาปฏิบัติ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 พวกเราจรึงจะเจริญถ้าว่าหาความครบซึ่งกันและกันไม่ได้นะั้นมีแต่ความจิบหายนะขนาดนกสัตว์ที่ฉานยังเคารพซึ่งกันและกันอย่างที่ พ, พระพุทธเจ้ายกชาดกขึ้นมาลิงช้างนกกถาจากนั้นกับเรื่องพิจารณ า, าถึงร่างกายร่างกายของพวกเรา แก่เจ็บตายอย่างที่พวกพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้เพรา ะ, ะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะก่อนที่จะปฏิบัติก็พยายามทำจิตให้สงบกําหนดลมหายใจเข้าพุทธท้ายใจออกโทพุทธโพุโทธโธการกําหนดลมหายใจเนี่ยลมเข้าก็พุทธลมออกก็โธแต่อย่าไปเกรงอย่าไปกลึงอย่าไปแต่งลมนะให้เป็นธรรมชาติที่สุด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 ทดลองหายใจแรงๆดูนะหายใจแรงๆเฟ้อเข้ามาสักครั้งเฟ้อทั้งลมออกไปเฟ้อเฟ้ออ่าสามสี่ห้าหกครั้งแต่นั้นก็ผ่อน ล, ลงผ่อน ล, ลงผ่อน ล, ล ง, ลลงเราจะรู้ได้ว่าลมกระทบที่ไหนทีนี้เมื่อลมกระทบที่ไหนเราก็จับเอาลงสติจับอยู่ตรงนั้นละทีนี้เวลาหายใจเข้ า, าก็เย็นเช่วยเวลาลมออกก็เย็นช่ยโทรรู้ว่าลมเข้า